วันสาวที่สิบมีนาคมพศ2539ธรรมบัญญาเรื่องประวัติการบรรลุธรรมของปริยะสาวกตยอาจารย์สุเทพโพธิสัทธาพระคุณเจ้าท่านสาธุชนที่เคารพวันนี้จะนำเอาประวัติของพระเถระมาพูดถึงประวัติของท่านสืบต่อไป องที่จะนำมาเริ่มต้นวันนี้คือองค์ที่มีชื่อว่าพระจักกุบานพระจักกุบานยังไม่ได้พูดใช่ไหมเป็นองค์ลำดับที่ห้าที่เก้าสิบห้าพระจักกุบานนั้นชื่อของท่านเป็นที่รู้จักของพวกเราทุกคนเป็นอย่างดีชื่อว่าจักกุบาลที่แปลว่า ผู้รักษาจากักษุแต่ว่าประวัติท่านซึ่งเป็นที่มาของการได้ชื่อนี้กลับตรงกันข้ามคือเป็นพระตาบอดแต่ความหมายท่านไม่ได้หมายเอาตาชั้นนอกตาชั้นนอกชั้นบอดจริงแต่ว่าตาชั้นในของท่านสว่างชื่อว่าจักขุบาลคือผู้รักษาตา ก็ได้เหตุว่าเมื่อท่านบำเพ็ญความเพียรเพื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นท่านได้ถือทูดงข้อที่เรียกว่าไม่นอนคือได้แต่นั่งเดินกับยืนในระหว่างนั้นตาของท่านกำลังใกล้จะบอดหมอก็ขอร้องให้นอนเพื่อที่จะหยอดตาแต่ท่านเห็นว่าถ้าท่านนอนเสีย ท, ท่านก็จะเสียวัดเสียการปฏิบัติ ท่านจึงไม่ยอมนอนคือไม่เชื่อหมอในที่สุดตาของท่านก็เริ่มบอดและพร้อมกับเมื่อตาท่านบอดสนิทนั้นตาภายในของท่านก็สว่างคือบรรลุเป็นพระอรหันต์ในประวัติจึงกล่าวว่าพร้อมกับตาของท่านพระจักขูบาลบอดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นนั่นเองอ ท่านเป็นอรหันต์ฝ่ายสุ ข, ขาวิปัตสศกคืออรหันต์ที่ไม่ได้บรรลุฌานด้วยจึงเป็นพระเทเรศที่ไม่ได้มีอภินิหารอำนาจศักดิ์สิทธิ์เหมือนอย่างพระเทเรศที่เป็นฝ่ายฌานลาภีบุคคลนี่ก็เป็นประวัติของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของตาของท่านสําหรับประวัติเดิมของท่านเนี่ยท่านเป็นใครมาจากไหนท่านเป็นลูกของอกูดุมพีซึ่งมีอาชีพทางค้าขาย คือพูดง่ายว่าเป็นอาชีพของอเป็นลูกของพ่อค้าชาวเมืองสาวัถีพ่อของท่านมีชื่อว่ามหาสุวรรณพ่อนั้นเดิมทีไม่มีลูกอยากจะมีลูกก็ไปได้ลูกมาสองคนจากการบนบานสารกล่าวคือพ่อไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งสำคัญว่ามีเทวดาก็เลยไปทำความสะอาดโคนต้นไม้เกลี่ยสถานที่ เข้าไปไหว้พร้อมกับบนว่าถ้าหากว่าได้ลูกจะทําพลีกรรมอย่างมโหลานแก่เทพผู้สถิตยอยู่ที่ต้นไม้นี้หลังจากนั้นภรรยาก็ตั้งครรภ์ได้ลูกคนแรกชื่อว่าปาละต่อมาก็ได้ลูกอีกคนหนึ่งก็เลยตั้งชื่อลูกสองคนนี้ให้ต่างกันว่าคนพี่เรียกมหาปาละคนน้องเรียกจุลปาละท่านจุลปาละนั้นภายหลังชื่อของท่าน อเขาไม่เรียกว่าจุลปาละเรียกว่าจักขูปาละส่วนพี่นั้นยังชื่อว่ามหาปาละอยู่เช่นเดิมก็ทั้งคู่นั้นก่อนจะบวชก็แต่งงานแต่งการมีครอบครัวก่อนบวชทั้งคู่และพี่ชายได้ออกมาบวชก่อนเมื่อได้มาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบวชแล้วได้บรรลุเป็นพระอราหันต์น้องชายบวชภายหลัง และได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยความยากลำบากดังได้กล่าวถึงอันนี้ก็เป็นประวัติของท่านจักกุบาลครับความพิสดาร น, นั้นขอให้ไปอ่านในคำพีธรรมบทเรื่องแรกเลยที่ชื่อว่าจาักกูปาละวัฏถุเรื่องราวในที่นั้นพิสดารมากผมขอผ่านเลยไปถึงองค์ที่เก้าสิบหกองค์ที่เก้าสิบหกชื่อว่าขัน ทะสุมนณะคำว่าขันขันทะ ท, ะที่ใช้คำใช้อักษรว่ า, อาทอมนโทเนี่ยออกเสียงว่าขันดะขันดะนั่นแปลว่าน้ำตาลกรดสุมนณะแปลว่ามะลิชื่อของท่านได้จากปรากฏการพิเศษที่เกิดขึ้นเมื่อท่านเกิด คือท่านเองนั้นท่านเป็นลูกเจ้ามันละคือเป็นพวกเชื้อสายกษัตริย์แห่งเมืองปาวาเมืองที่อยู่ติดกับเมืองกุสินาราพระผู้เมียภาพเสด็จผ่านทางนั้นแล้วก็ข้ามแม่น้ำกากุทานาทีมาสู่เมืองกุสินาราเพื่อปรินีพ่านเจ้ามันล ะ, ะพระองค์นี้เป็นชาวเมืองปาวาไม่ใช่ชาวเมืองกุสินาราซึ่งก็เป็นเจ้ามันละเหมือนกัน ในเวลาที่ท่านเกิดเนี่ยได้ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้กลายมาเป็นชื่อของท่านกล่าวว่าได้เกิดมีน้ำตาลกรวดแล้วก็มีดอกมะลิปรากฏในเรือนเป็นกรณีพิเศษขึ้นคือดอกมะลิออกดอกบานสะพรั่งทั่วไป แล้วก็ได้มีน้ําได้ลาบคือน้ําตาลกรวดปรากฏเกิดขึ้นเป็นอันมากในนิเวศสถานของเบียงปลาบิดามารดาเลยเอามาเป็นนิมิตตั้งชื่อขันทสุมาณะซึ่งก็กล่าวว่ า, าลาบที่เกิดขึ้นปรากฏการที่เกิดขึ้นเป็นนิมิตพิเศษนี้เกิดขึ้นจากบุญเก่าของท่านขันทสุมาะแต่อดีตที่ได้ทําไว้นั่นเอง ท่านผู้นี้ต่อมาเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นก็ได้มาฟังธรรมที่แสดงโดยพระพุทธเจ้าและมาฟังที่สวนอัมพวันของนายจุนทะที่พระพุทธเจ้าสเสด็จผ่านในพรรษาสุดท้ายก่อนที่จะข้ามไปสู่เมืองกุสินาราและเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไปสวยสุกระมัตสุกรมัตวะไะครับ ที่บ้านของนายจุนทะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปฟังที่บ้านนะไปฟังที่สวนมะม่วงที่นายจุนทะถวายพระพุทธเจ้าและพระสงค์ให้พำนักก็ไปฟังที่นั่นแล้วก็เกิดความเลื่อนสายออกบทบทไม่นานนะครับได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ลาพิญญาคืออรหันต์ที่มีฤทธิ์ด้วยมีฤทธิหกมีภิญญาหกต่างกับท่าน จากคูบานเมื่อสักครู่นี้ในภิญญาหกเนี่ยมีอภิญญาอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่าอาสวัไขอาสวัไขนั้นเป็นอภิญญาโลกุตตละอภิญญาที่เหลืออีกห้านั้นเป็นอภิญญาฝ่ายโลกิยะพวกขอเอื้อนเดืออากาศได้ไม่ได้เกี่ยวกับอภิญญาละกิเลสท่านจากคูบานเนี่ยได้อภิญญาแค่หนึ่งคืออาสวัไขเท่านั้นไม่ได้โลกิยะอภิญญาจึงเรียกว่า สุ ข, ขาวิปัสสกนะสำหรับท่านจักรุบาล น, นี่เป็นองค์ที่96ต่อไปองค์ที่97ชื่อว่าพระติสะท่านติสานั้นเกิดในราชตะรกรูลอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าอยู่ในโรรุวนคร เ, เข้าใจว่าจะอยู่ในแคว้นของแคว้นมคธนะ เ, เมื่อจะเดินเติบโตก็ได้ ราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินคลองแควเล็กๆนะครเล็กๆนั้นแล้วก็ได้เป็นสหายที่เขาเรียกว่าอาทิตย์ทสหายคือสหายที่ไม่ได้เห็นตัวสมัยก่อนเนี่ยคนดีๆที่คบกันทิ่งอยู่ต่างบ้านต่างเมืองกันไกลๆโดยมากจะเป็นอาทิตย์ทสหายเพราะว่าการกำนาคกรมสมัยก่อนนั้นลำบากไม่สามารถจะเห็นตัวกันได้ อย่างดีก็เห็นรูปเห็นภาพเขียนกันเท่านั้นเองแล้วก็มีสารถึงกันจะเรียกว่าอาทิตย์ทศหายก็ผู้ที่เป็นอาทิตย์ทศหายกันเนี่ยก็จะส่งบรรณาการมีของที่ระลึกถึงกันโดยมากก็จะฝากพ่อค้าที่เดินทางค้าขายอย่างต่างเมืองจากเมืองหนึ่งไปสู่เมืองหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนั้นได้ส่งบรรณาการตอบไปในครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้ว พระพุทธเจ้าผู้มีสารได้ให้ให้ช่างจานเนี่ยจารึกพุทธจริยาหมายถึงความประพฤติของพุทธเจ้า ε ก็หมายความว่าอุปนิสัยการแสดงออกความรู้ความสา ม, มารถแล้วก็ชีวิตประจำวันพุทธเจ้าเนี่ยส่งไปให้ทราบว่าในบ้านเมืองของพระองค์นั้นมีบุคคลชนิดนี้ปรากฏแล้วก็ได้ส่งข้อธรรมสำคัญไปด้วยให้จารึกข้อธรรมสาคัญไป หมวดหนึ่งหมวดนั้นคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทส่งไปให้พระเจ้าติสสาเนี่ยได้ส่งศึกษาทาความเข้าใจเมื่อพระเจ้าติสสาได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธจริยาและคำสอนของพุทธเจ้าที่สำคัญคือปฏิจจ์ก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาอย่างฉับพลันและรุนแรงมากรุนแรงเหมือนกับ อธิษฐาหายอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้าปิมิษารคือพระเจ้าปกุาติพฤติกรรมเหมือนกันเลยครับเมื่อเริ่มใสยแล้วก็สะละราชสมบัติออกบวชอุทิศถวาย พ, ายยะาพระพุทธเจ้าบวชเองโดยไม่ยังจะได้ทันพบพระพุทธเจ้าจริงๆเลยก็ได้ประพฤติตนจากพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกับคนเทเขยะใช้ตำหนนว่าอย่างนั้นอุ้มบาดดินสเสด็ดจจาเนิน มามุ่งสู่เมืองราชคฤห์เพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาพบพระพุทธเจ้าที่เนื้อเขาแห่งหนึ่งก็เอ่ยชื่อไปฟังไปท่านนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนื้อเขานี่ชื่อว่าสัปปะโทนติกะซึ่งเป็นเนื้อเขาแห่งหนึ่งก็เข้าใจว่าจะอยู่บริเวณเขาที่เป็นปันเกกรีนครรอบเมืองราชคฤห์นะครับอเข้าใจว่าจะค้นหาได้ในสมัยนี้นะ แต่ว่าตอนนี้นะผมยังไม่ทราบก็เมื่อไดฟ้ฟัาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็สอนธรรมะและให้กรรมฐานแล้วก็คงจะให้บวชใหม่ด้วยครับเหมือนกับพระปกุศสติให้กรรมฐานก็ส่งเข้าไปปฏิบัติธรรมปลีกเล้นอยู่ในที่ใดที่หนึ่งท่านติดสานั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างรวดเร็ว หลังจากบวชไม่นานอันนี้นึกเทียบกับพระภูคุตสาตินั่ก็ต่างกันตรงที่ว่าท่านภุคุษสาตินั้นได้ฟังธรรมะแล้วได้บรร ล, ลุเป็นพระเสะบุคคลคือเป็นอริยบุคคลชั้นต้นแล้วก็ขอบวชพระผู้มีพรภาคก็ทรงให้ออกไปหาอัรตาบริขารเพื่อจะเตรียมตัวบวชแล้วก็ไปถูกโคผิดตายซะก่อนซึ่งเป็นโคผู้เวงูกรรมก็จึงไม่ได้บวช ได้ไปเกิดเป็นพระอริยบุคคลในชั้นสุทาวาสเพราะว่าเป็นพระนาคามีแต่ว่าองค์นี้ท่านเป็นพระหลานแล้วก็ไม่ได้ประสบกับชาตากรรมเหมือนอย่างท่านปุกุสติกนี่ก็เป็นประวัติของท่านติดสะซึ่งเราก็จะสังเกตว่าท่านพระที่ชื่อว่าติดสานี่มีหลายองค์เหลือเกินองค์นี้ก็เป็นองค์หนึ่งและหลายองค์เราก็ได้พูดถึงประวัติของท่านมาแล้ว ต่อไปองค์ที่เก้าสิบแปดองค์ที่เก้าสิบแปดชื่อว่าท่านอาภัยอภัยเราก็เคยผ่านมาองค์อื่นแล้วเหมือนกันอภัยองค์อื่นที่ผ่านมาก็คือลูกของพระเจ้าพิมพิสารที่เกิดขึ้นจากนางโสเพณีที่ชื่อว่าปทุมมวดีแต่ว่าพระอภัยองค์นี้ไม่ใช่ลูกพระเจ้าพิมพิสารเป็นบุคคลที่เกิดในสกุลรามชาวเมืองสาวัตถีครับ เมือนพระเจ้าประสิทธิโกศล เ, เป็นคนที่สร้างสมบารมีไว้มากอท่านว่า น, นั้นก็เมื่อเจริญเติบโตขึ้นอำนาจของกูศลบารมีก็ตักเตือนตักเตือนเนี่ยหมายว่าตักเตือนเนี่ยมันจะมีสองแบบคือหนึ่งกระตุ้นความรู้สึกในทางมโนธรรมที่ตัวเองเกิดความนึกคิดเกิดความรู้สึกอย่างที่ผู้มีธรรมะเบื้องสูงรู้สึก สแสวงหาธรรมกระตุ้นอีกแบบหนึ่งก็คือกระตุ้นในลักษณะที่ทําให้บุคคลนั้นได้ไปสู่ที่ที่มีธรรมะหรือไปหาบุคคลผู้ที่จะให้ธรรมะแก่ตัวได้ธรรมะบรารมีนั้นก็ชักนําไปโดยที่ตัวเองอาจจะยังไม่ได้รู้อะไรก่อนคําว่ากระตุ้นมีสองแบบนี้อ่าท่านผู้นะี้กระตุ้นโดยชักนําไปสู่ที่ที่มีธรรมะ ก็คือได้ไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าจากพระพุทธเจ้าเมื่อฟังแล้วก็ศรัท ธ, ธาแบบฉับรันทันทีน ะ, ะเรานึกถึงว่าบางคนอย่างนางปตจราเนี่ยก็ไม่ได้ตามาก่อนแล้วไม่ได้รู้สึกเตรียมใจมีบุพาพเยตนาอะไรก่อนเลยครับแต่ว่าบารมีกระตุน้นพอกระตุ้นไปถึงที่รร ม, มะเนตัวเองเรียกว่าเป็นคนที่ขาดความพร้อมทางจิตใจอย่างยิ่ง แต่เมื่อได้ฟังธรรมมาแล้วก็ได้ศรัทธาฉับพลันทันทีอันนี้พิเศษกว่าท่านท่านอาภัยเขาอีกนะเป็นแต่ว่าเป็นประเภทเดียวกับท่านอาภัยตรงที่ว่าไม่ได้เกิดความรู้สึกอยู่ก่อนเมื่อได้บวชก็เจริญวิปัสสนาตามธรรมดาของพระสมัยก่อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยบูธเจ้าแต่ว่าท่านอาภัยนั้นท่านมีอุปสรรค อะไรเป็นอุปสรรคก็คือกิเลสของตัวเองเป็นอุปสรรคเวลาพระบวชเจรเินวิปัสนาอยู่ในป่าเนี่ยพอตอนเช้าก็จะต้องเข้าสู่บ้านคือมาบินทบาทอันนี้ก็เป็นธรรมดาเมื่อมาบินทบาทเนี่ยก็ได้เจออิจาลมณิทิาลมไปตามเรื่องอ่ะใครสำรวมดีอิจฉารมก็ไม่ย่ำยียจิตใจใครสำรวมไม่ดีอิจฉารมก็ย่ำยียจิตใจอันนี้ตาลมก็ย่ำยียจิตใจท่านอภัยนั้นเมื่อเข้ามาสู่บ้านเพื่อการบินทบาท ว่าวันนั้นได้เห็นมาตุคามสาวแต่งตัวสวยสวยงามเป็นที่ยวนใจให้เกิดฉันทราคะขึ้นก็เกิดฉันทราคะกลับไปสู่ที่พำนักด้วยความรุ่มร้อนถึงสตรีที่ได้เห็นในที่บิณฑบัตนั้นรุ่มร้อนแต่ว่าท่านเองนะท่านไม่ยอมพ่ายแพ้เรียกว่ารู้เท่าทันกิเลส ก็คิดว่าเราจำจะต้องข่มความรู้สึกฝ่ายต่ำนี้ให้ได้จึงได้เข้าไปสู่วิหารหลังจากฉันบินทบาทแล้วกระทำการข่มจิตด้วยความรู้เท่าทันด้วยอำนาจโยนิโสมิตริกาเพอข่มจิตได้แล้วก็จเจริญวิปัสสนาและบรรลุเป็นพระอราหันต์ระวางนั้น อ, อันนี้ก็เล่าไว้ว่าตอนที่ จะบรรลุเป็นพระอรหันทรุกิเลสอย่างหยาบเข้าไปก่อกวนและข่มใจได้ท่านอาจจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้พอสมควรแล้วก็ข่มมาหลายครั้งแล้วก็ได้แต่ว่าท่านไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะว่าไม่ถือว่าเหตุการณ์อื่นก่อนการบรรลุเป็นพระอรหนะันต์นนเป็นเหตุการณ์สําคัญที่ต้องเล่าก็เป็นอนุบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปก็ผ่านไปอันนี้แหละครับที่ว่า ที่พระพุทธเจ้าได้สั่งภิกษุทั้งหลายพระานนท์ถามว่าภิกษุเนี่ยควรปฏิบัติต่อมัตุคามอย่างไรและเราก็คงจะได้เคยได้ยินแล้วครว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนพระให้ระวังให้มากในกรณีของพระที่จะมุ่งความบรรลุหรือผู้ที่จะรักษาความเป็นพระว่าอย่างเคร่งครัดเนี่ยนะว่าถ้าไม่ได้เห็นไม่เห็นหได้ดนะ้านเป็นการดี อันนี้ไม่ใช่หลังเกียรติแต่ว่าเป็นเรื่องของการระวังตัวเพราะการเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเสี่ยงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของคนปฏิบัติธรรมนะการไปเห็นเห็นรูปเนี่ยพระเจ้าตรัสแล้วว่าบรรดารูปทั้งหมดไม่ว่าจะรูปอะไรอะไรรูปที่แสลงความรู้สึกของบุรุษเพศมากที่สุดนั้นก็คือรูปของสตรีครอบมีอิทธิพลครอบงำบุรุษเพศตํานองเดียวกัน รูปของบุรุษเพศก็มีดิพนครอบงำใจของสตรีได้รุนแรงที่สุดเช่นเดียวกันนั้นเมื่อสอนพระท่านจึงสอนว่าไม่เห็นจะได้เนี่ยดีถ้าเห็นก็จะต้องสำรวมและถ้าจะเห็นแล้วถ้าจะเห็นอย่างสำรวมไม่คุยได้ดีถ้าคุยก็คุยให้น้อยที่สุดต่อไปองค์ที่เก้าสิบเก้าเชื่ออุตยะอีกแล้วครับซ้ากับองค์ใดองค์หนึ่งที่เรากล่าวถึงมาแล้ว อ, องค์น้องก็เป็นอาหารองค์นี้เป็นอาหารด้วยท่านอุธิยะนั้นเป็นเชื้อเจ้าสากยะเกิดในกรุงกบิลพัทเกิดในล้วนครกบิลพัทได้พบพระพุทธเจ้าครั้งแรกเมื่อพระผู้มีภาคเสด็จเยี่ยมพระญาติและการได้พบพระพุทธเจ้าครั้งแรกนั่นเองแหะครับที่ท่านได้ศรัทธาถึงก็าออกปวดแล้วก็บำเพ็ญกรรมฐาน อยู่ในที่สงบสงัดแห่งหนึ่งนอกพระนครพอถึงเวลาเช้าก็เข้าไปบิณฑบาตในพระนครถือเอานาครกบิลพัฒน์นั้นเป็นที่โคจรบิณฑบาตในการเข้าไปบิณฑบาตนั้นเกิดไปได้ยินเสียงร้องเพลงปกติเสียงร้องเพลงเนี่ยมันก็เป็นค่าศึกแก่การประพฤติพรหมาจารย์โดยเฉพาะ มา ก, กับพรมาจารย์อยู่แล้วเสียงร้องเพลงที่พอเพราะเนี่ยที่เราชอบเนี่ยนะเลยเพราะยิ่งชอบเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นคาดสึกมากเท่านั้นแต่ที่เสียงร้องเพลงเนี่ยมันมีอ่าหนึ่งถ้าเป็นเสียงดนตรีที่เราชอบก็อันหนึ่งทําลายสติในทางลึกได้อย่างยอดเยี่ยมอ่ายิ่งเพลงที่เขาบอกเพลงละเอียดที่เรียวกว่าเพลงคลาสสิกไลท์มิวสิกเนี่ย ทำลายสติขั้นสูงได้อย่างยอดเยี่ยมมากเป็นค่าศึกแรงมากแต่ชั้นหยาบเนี่ยไม่ไม่เป็นหรอกนะชั้นหยาบเนี่ยดูไม่ออก แ, แต่ว่าถ้าคนทํากรรมฐานลึกๆเนี่ยไอ้สิ่งเราเนี้ยมันจะออกมามาเป็นคล้ายๆให้ใจในเคี้ยวเอื้องแล้วก็บนทําลายสติของตัวเองคนทํากรรมฐานเนี่ยรู้เลยครับผมเองผมก็ใจเรื่องนี้ทราบซึ้งดีในคําว่า เรื่องของการดนตรีเนี่ยเป็นค่าศึกของโพรมาจรรันอย่างนี้ครนี้ในบรรดาเสียงร้องเพลงเนี่ยนะครับหรือหรือเสียงบรนเลงที่บรนเลงโดยสตรีและร้องโดยสตรีกลับเพิ่มความเย้ายวนเพิ่มความเป็นปฏิปักษ์แก่โพรมาจรรันแรงขึ้นไปอีกนะ อ่อันนี้เป็นเรื่องเรื่องชัดเจนจริงเพราะว่ามันประกอบด้วยนอกจากว่าความพอใจในเพลงแล้วก็พอใจในคนร้องด้วยประกอบนเข้าไปเลยกลายเป็นว่ามันไม่เรียกว่าเกิดไอ้ความกำหนัดในทางหูและความกำหนัดในลักษณะทางเพศเจื้อเข้าไปด้วยจึงเพิ่มด้วยอาการอย่างนี้พระที่ชื่อว่าท่านอุดยะเนี่ยได้ไปได้ยินเสียง หญิงสาวร้องเพลงก็เกิดความกำหนัดขึ้นด้วยเสียงเพลงนี้แต่ว่าท่านเองท่านไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวคือคนเราเนี่ยมาเกิดอกุศลขึ้นแล้วก็รู้ว่าถ้ายังดีเบื้องต้นเนี่ยก็คือรู้ว่านี่เป็นอกุศลแล้วก็ดีขึ้นไปอีกหน่อยก็คือว่าไม่ปล่อยไม่ปล่อยปละละเลย ถ้ารู้เป็นอกศุศลแล้ประมาทเสียปล่อยปลาละเลยถือว่าคนนั้นอาจจะเครี้ยงพลําในภายหลังได้นี่เมื่อตั้งเจตนาไม่ปล่อยปลาแล้วก็สามารถที่จะข่มได้พวกบางพวกข่มไม่ได้บางพวกขมม่ไกขมได้พวกที่ใดที่ข่มได้พวกนั้นเป็นผู้ที่ทําได้ยิ่งกว่าดีกว่าทีนี้เมื่อข่มได้แล้วเนี่ยถ้าทําได้ยิ่งกว่านั้นก็คือจะต้องไม่หยุดอยู่แค่นั้น จะต้องจเจริญคือฉวยโอกาสเจริญกุศลธรรมที่ยิ่งขึ้นไปให้ได้ต่อจากนั้นท่านอุตยานั้นท่านได้ทำครบวงจรท่านข่มได้แล้วก็เลยฉวยโอกาสนะวยโอกาสทำให้เป็นแรงบันดาลใจเป็นเครื่องกระตุน้นท่านจึงมุมุมานะโดยคิดว่าเรานี่ไว้ใจไม่ได้เลยแล้วก็เมื่อจิตตก ลงไปสวมอำนาจของกิเลสเนี่ยการจะนํากลับคืนนั้นเป็นของที่ทําได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราทํานํากลับคืนได้กู้จิตขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องใช้โอกาสนี้สร้างภูมิคุ้มกันจิตให้ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้ให้ได้คลาวหลังไปได้ยินอีกไปได้ฟังอีกจะได้ไม่เพี้ยงพรำเลยทําไปทํามาจเจริญนิพพานาจนบรรลุเป็นพระหลานเลยนี่เรียกว่าคนเมื่อบรรลุษทำ เนี่ยมันเป็นเป็นข้อจริงอันหนึ่งว่าจะต้องมีอะไรที่เป็นคู่ต่อสู้มาให้เราเนี่ยได้ออกแรงคู่ต่อสู้นั้นอาจจะเป็นกรรมคือเป็นวิบากกรรมหรือเป็นกิเลสจุดใดจุดหนึ่งฐานะใดฐานะหนึ่งให้เราได้ออกแรงเป็นช่วงเป็นห่วงเป็นตอนไปเดี๋ยวถ้าเราออกได้ก็หมายความว่าเราเลื่อนจิตของเราให้สูงขึ้นไป สู่จุดที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นได้เลยบรรลุเป็นพระหลานไปนะครับต่อไปอีกองค์หนึ่งองค์ที่ร้อยองค์ที่ร้อยนั้นชื่อว่าเทวสภะท่านเทวสภะนั้นเป็นเชื้อเจ้าสากยะเกิดในลั้วในวังก็เราก็รู้ว่าเกิดในเมืองกบิลพัท แต่ว่าได้พบพระพุทธเจ้าได้เลื่อมสในพระพุทธเจ้าได้ถึงไตรสาระเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไประ ง, งับการทะเลวิวาทระหว่างพระญาติกับประญาติอย่างที่เราเคยได้ยินกันแล้วไปได้เลื่อมสในพุทธาพิธิหานตอนนั้นถึงสาระตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้บวชสันตีแหละครับ กลับมาสู่นิเวศสถานบ้านเือนพระพุทธยาพักได้ทรงไปบำนักอยู่ที่นิโครทารามได้ไปเฝ้าฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ไปเฝ้าและไปฟังธรรมะที่วัดนิโครทารามก็เลื่อมใสถึงขั้นบวชจึงได้ขอบวชกับพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในที่นั้นระหว่างนั้นและบรรลุเป็นพระอราหันต์ในเวลาไม่นานก็คือที่นั้น ไม่นานในะท่านไม่ได้บอกเวลาไว้อย่างมากไม่เกินพรรษาเอาความอย่างนั้นครับก็ชีวิตท่านไม่มีอะไรฮัลโหลพนนะครับองค์นี้ต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยหนึ่งองที่หนึ่งร้อยหนึ่งชื่อว่าเพรทฐกา g a n i เถระท่านเพรท t กา g a n i เทระประวัติของท่านนั้น มีอะไรที่น่าฟังหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องทางลบนะฮะก็ว่าท่านเองเนี่ยเป็นชาวสาวัตถีเกิดในสกุลพราหมณ์ก็ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จไปที่เมืองสาวัตถีและได้ศรัทธาทันทีออกบททันทีด้วยเมื่อออกบทแล้วก็ได้ไปบาเพ็ญ ถ้ากรรมฐานอยู่ในป่าในแคว้งโกศนั่นแหละในระหว่างที่บำเพ็ญกรรมฐานอยู่ในป่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของผู้ปฏิบัติซ้ำเลครับว่าเนื้อแท้ของเราทั้งด้านดีด้านชั่วเนี่ยมันจะออกมาให้เราเห็นคนมีกิเลสอะไรที่สะสมไว้มีไอ้สิ่งฝังใจอะไรที่เก็บกดไว้ทั้งส่วนหยาบส่วนลึกเนี่ยมันจะออกมาอนหยาบออกมาก่อน อันไหนเป็นกำลังมากเนี่ยออกมาก่อนออกมาในลักษณะที่ทําให้เราเนี่ยถ้าเราไม่รู้หลักรู้ธรรมชาติของกรรมฐานอย่างนี้นะอาจจะเกิดความรู้สึกเป็นอโยนิโสมนติการด้วยประการต่างๆอย่างที่หลายๆคนนึกแต่ว่าถ้าคนรู้หลักตรงนี้ว่าการทํากรรมฐานนั้นเป็นการชาระจิตการซักฟอกจิตก็ธรรมดาเมื่อเราเข้าไปชาระซักฟอกไอ้ขี้ขี้ใครของจิตก็ต้องออกนะ อ่าเราก็ต้องรู้นี่คือซักไอเราจะไปนึกว่าทำกรรมฐานแล้วจะต้องสะอาดมันก็ไม่ได้เหมือนเราไปขัดสีชวีวันอะไรสักอย่างสมมติว่าเราไปนั่งขัดทองเหลืองขัดแล้วขี้ทองเหลืองไม่ออกก็แสดงว่ายาขัดไม่ดีแต่ว่าถ้าขัดแล้วมันออกไวออกเยอะออกสาแกใ่ใจสาแก่ความต้องการสาแก่ความเข้าใจเราเราก็รู้สึกว่าเออเราขัดดียาขัดดี เพราะนั้นถ้าเราไปทําแล้วกิเลสมันออกออกเวลามันออกมนะันอาจจะทําให้เรารู้สึกเปื้อนอึดอัดลาก็อย่านึกว่านั่นเป็นเรื่องของความผิดพลาดหรือความไม่ได้ประโยชน์นะในการขั้นนี้นะขั้นที่เรากำลังชำระจิตมันก็เพราะนั้นกรณีของท่านองค์นี้ท่านมีอะไรครับหนึ่งเป็นคนขี้เกียจสองเป็นคนหยาบสองอย่าง ขี้เกยียจนี่ยคือว่าขี้เกยียจทํากรรมฐานและขี้เกยียจแม้กระทั่งว่าการจะประพฤติวัดอย่างที่ในกิจที่ควรกระทําที่เป็นกิจชั้นนอกก็เป็นคนขี้เกยียจและหยาบคายเนี่ยก็คือว่ามีนิสัยก้าวร้าวก้าวร้าวบุคคลอื่นแล้วก็เป็นคนที่จิตใจหงุดหงิดอันนี้เป็นธรรมดา ไอ้เวลาที่เราเราหลับตาทาำฌานอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะมันออกมาให้เห็นนะไอ้ลักษณะของความหยาบความคิดคิดถึงขนาดมันก็เกิดความรู้สึกกิงชังอย่างนูอย่างนี้อยากจะดา่าอยากจะว่าบางทีเขาอาจจะนึกดา่านึกว่าในใจอะไรแล้วแต่นะครับเป็นสารพัดอย่างตามอุปานิสัยคนและไอ้ลักษณะของความหยาบคายเนี่ยมันจะหยาบแม้กระทั่งกับตัวเองถึงขนาด เ, เกิดพฤติกรรมในลักษณะ ทำอะไรอะไรกับตัวเองอย่างที่ผมจะได้เล่าถึงประวัติไพร่อีกองหนึ่งให้ฟังต่อไปเป็นลักษณะใกล้ๆกันเขียนว่าอาจารย์เคโก้ตัวเองดา่าตัวเองอะไรเงี้ยในระหว่างทำนะเป็นทางแก่หรือทําไปโดยอัตโนมัติอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแล้วผมก็คิดว่าบางคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็จะต้องมีอยู่บ้างเปรแสดงกับตัวเองมันดีแต่ถ้าสแสดงอย่างไม่ได้หักเอามาเป็นมนุิการเพื่อ เขาเรียกว่าเป็นบทลงโทษตัวเองอย่างเอามาเป็นบทลงโทษตัวเองเหมือนอย่างพระอีองที่ผมว่าเมื่อกี้จะเล่าต่อเนี่นะมันก็อาจจะกลายเป็นว่าเลยไปเพี้ยงพรำแก่ไอ้ความหยาบคายของเราที่ไม่ได้เอามาเป็นอุบายในการควบคุมกิตก็ได้ในความขี้เกียจเนี่ยเราเอามาใช้เป็นก็อาจจะเป็นผลในการฆ่าความขี้เกียจก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ยังไงควบคุมมันยังไง เราเรียกว่าเอากิเลสมาเป็นปัจจัยให้เกิดกุศล เ, เพราะฉะนั้นเมื่อท่านไปอยู่ป่าทําทีเหมือนเป็นพระกรรมฐานแต่เพราะว่าเป็นคนหยาบกายเป็นคนขี้เกียจกรรมฐานไม่เจริญสิ่งที่เจริญนั้นคือร่างกายท่านว่ามีร่างกายกําย์ยำก็จะไม่กัมย์ยำได้ไงล่ะครับกินกันนอน กินกันนอนกินกันนอนพระพุทธเจ้าต่างก็กรู้คือคนเนี่ยเวลาไปอยู่กับมาตฐานอย่า ง, นางาเนี้ยอย่างละเนี่ยกิเลสอะไรต่างๆมันออกมาเป็นที่ปรากฏเนี่ยอันนั้นเป็นของเป็นของดีของควรเป็นของไม่น่าโกรธไม่น่าถืออะไรเลยมันเป็นธรรมชาติที่สุดเลยในความคิดผมเน่ยนะทือใครเขาจะว่าเออเข้ามาวัดมาวาแล้วมันมีกิเลสนู่น่มธรรมชาติที่สุด วันนี้แหละครับคือธรรมะได้เข้ามามีส่วนแม้จะไปทอดกรตินทอดประปาทําบุญทกุศลมันไอดีมันก็ออกมาชั่วมันก็ออกมาทุกคนออกอันไหนมากอันไหนน้อยยังไงเน่ะมันแล้วแต่แล้วแต่ว่าธรรมดานจะต้องออกยิ่งเข้าไปอยู่การปฏิบัติอย่างนี้มันยิ่งจะออกก็เรียกว่าเหมือนยังกระเหงือแตกโศ ก, ก, กออกมาทีนี้ไอ้เวลามันออกเนี่ยไอ้ความดีมันก็มีด้วยพระพุทธเจ้าท่านก็รอจังหวะท่านก็รู้ว่านี่ได้โอกาสและที่ว่า เราจะทำให้เกิดความเกิดโยนิโสมัติการขึ้นกับกิเลสของตัวเองเหล่านี้ที่ท่านใช้คำว่าสลดใจไปเสียทุกกรณีเนี่ยนะฮะพระผู้มีพระพรรภาคจึงได้ทรงสเสด็จไปแสดงโอวาทการแสดงโอวาทแก่ท่านองค์นี้เป็นการแสดงโอวาทในลักษณะที่เรียกว่าแบบรุนแรงแบบรุนแรง คือไม่ได้แสดงในลักษณะนุ่มนวลอันนี้ก็แต่ละคนนั้นบางคนอาจจะแสดงด้วยวิธีการนุ่มนวลเอาอกเอาใจแต่บางคนเนี่ยต้องเด็ดขาดชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีลักษณะบางลักษณะนะฮะอย่างเช่นท่านเป็นคนหยาบคายต่างๆอย่างนี้เป็นคนถือเนื้อถือตัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าอย่างนี้ต้องข่มด้วยวิธีการที่ใช้วิธีการรุนแรงการรุนแรงก็คือกล่าวตําหนิชี้โทษ ของพฤติกรรมในทางชั่วนั้นอย่างที่ท่านตรัสว่า อ, อดูก่อนเพลตถาการิเธอละความเป็นคฤหัตมาแล้วยังไม่ทันสำเร็จกิจคือกิจสำเร็จกิจหมายถึงเป็นพระราหารันอยู่จบรมอาจารย์นะยังไม่ทันสำเร็จกิจเป็นผู้มีปากห่างปากห่างก็คือปากกว้าง เป็นลำนวนเพราะคนเห็นแก่กินเนี่ยปากกว้างเห็นแก่ทองอ่าฉันใช้คำว่าเห็นแก่ทองคือเห็นแก่ปากทองเป็นคนเกียจคร้านที่เกียจก็คนกินมากขยันมากก็มีคนกินมากขี้เกียจมากก็มีเราต้องแบ่งไว้ด้วยเดี๋ยวจะว่าคนกินมากแลวจะขี้เกียจไปหมดอนะ่ะไม่แน่ เป็นคนโง่เขาเข้าห้องบ่อยๆนี่ก็คือเป็นคนเห็นแก่นอนด้วยำคำว่าเข้าห้องบ่อยๆเป็นสำนวนอาจจะไม่ต้องมีห้องอะไรก็ได้แต่หมายถึงเป็นคนเห็นแก่นอนบางทีก็ใช้คำน ว, นวนว่าเหยียดหลังสำนวนไทยก็คือหลังยาวขี้เกียจหลังยาวนี่เห <IS C> <g> มือนขี้เกียจแก่นอนเลยกลายเป็นขี้เกียจหลังยาว ขี้เกียจแทนที่จะเดินแทนที่จะทําน้านี้นหม่ขี้เกียจหลังยาวขี้เกียจคู่กันนอนเหมือนสุกรตัวใหญ่ที่เขาปรนปลือด้วยเหยื่อฉะนั้นอ่าก็หมายความว่าท่านตรัตตนีว่าขี้เกียจเหมือนหมูนะขี้เกียจเหมือนหมูมีร่างกายกํำยำเหมือนหมูเพราะว่าขี้เกียจแล้วก็อ่าร่างกายอ้วนทวนเหมือนหมูมจะไม่จะแว่าคนอ้จะั้งขี้เกียจหมด ยังไม่ได้พูดเพื่อรักษาหน้าตัวเองนะคนพร้อมขี้เกียก็มีมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าลักษณะสมคล้อยเนี่ยบางทีมักจะเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของคนบางประเภทอย่างที่พระเจ้ากำลังตรัสถึงท่านเพรละถาจากพุทธพน์ที่ตรัส โอวาดหรือตรัสฝึกด้วยวิธีที่รุนแรงอย่างนี้ทำให้ท่านเพลระถาการนี้นั้นเกิดความละอายเกิดความสลดแล้วก็เลยกลายเป็นเครื่องกระตุ้นทำให้ท่านมุปฏิบัติกรรมฐานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปเลยนี่เขาเรียกว่าใช้คำตำหนินั้นให้เป็นการชี้ขุมศัพท์ เอามาใช้เป็นประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ถ้าเอาไม่โยนิโศเป็นก็กลายเป็นโกรธแค้นคุณเครื่องอะไรกันไปต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยสององค์ที่หนึ่งร้อยสองนั้นคือท่านเสตตุจฉะท่านเสตตุจฉะท่านเสตุจฉ ะ, ะนั้นเป็นโอรสของพระเจ้ามันตริกะ อท่านจะเคยได้ยินชื่อพระเจ้ามันจิกะมาหลายครั้งแล้วแล้วก็อาจจะมี อ, องค์อื่นนะที่เป็นโอรสของพระเจ้ามัะอ่าพระเจ้ามันดาลิกะพระเจ้ามันดลิกะเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินอคลองนครเล็กๆนครหนึ่งนะครับที่อยู่ในแคว้นมคตแต่ว่าเ ป, เป็นพ่อตัวอย่างประการหนึ่งว่ามีลูกชายหลายคน และลูกชายหลายคนนั้นได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์หลายองค์องค์นี้ก็เป็นองค์หนึ่งที่เป็นพระโอรสของท่านแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ท่านเสด็จฉะเนี่ยได้เสวยราชต่อจากพระราชบิดานะะแต่ว่ามีชะตากรรมอันหนึ่งที่จะเป็นอุทาหรณ์เป็นเราฟังแล้วก็พอจะเป็นกําลังใจแก่รุ่นเราได้บ้าง มีชะตาชีวิตเหมือนกับคนบางคนหลายคนในสมัยพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนกับคนบางคนในสมัยนี้คือเมื่อได้เสวย ร, ราชต่อจากพระราชบิดาปรากฏว่าประสบความล้มเหลวในการเป็นพระเ้าว์ผืนดินที่ประสบความล้มเหลวเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่มีสมรรถภาพคือเป็นคนมีสมรรถภาพน้อยสมรรถภาพในการปกครองบ้านปกครองเมือง แล้วเป็นคนไม่อุตสาหะคือค่อนข้างจะขคี้เกียดเป็นปรัชบัญดินที่สมตรตนะก็น้อยความสามารถในทางปกครองก็น้อยแล้วก็ยังขี้เกียดอีกก็เลยไปกันใหญ่ทำให้ถูกชิงราชสมบัติถูกปลดออกจากเป็นพระราชาก็ทรงเสียพระทัยมากเสียพระทัยแล้วก็ระหว่างนั้นก็ยังไม่รู้จะทำยังไง จะไปกอบกู้บ้านแผ่นดินพระราชบัลลังค์คืนก็ไม่มีความหวังไม่มีความสามารถที่จะทําได้อยู่ด้วยความเศร้าโศกเสีย ใ, ใจจนกระทั่งครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้เสด็จผ่านผ่านไปยังชนบท อ, อท่านเสตุฉะได้ไปเห็นพระผู้มีพระภาคพร้อมเรื่องที่สุสงมุ่ใหญ่ก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเจอทางออกแล้ว เห็นสัพพุธเจ้าและพระสงฆ์อยู่ในอาการที่เป็นสุขแล้วก็สํารวมสงบเกิดความเลื่อมใสคิดว่าบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ได้มีภาษาราชวังอยู่ไม่ได้มีใครมาล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็ไม่ได้มีเสวตฉัดแต่ท่านเหล่านี้มีวันนับเร่งปลังมีความสุขเนี่ย นี่น่าจะเป็นทางออกของเราที่จะทำให้เราเนะี่ยมีชีวิตที่เป็นสุขพ้นจากทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่ก็จึงเห็นว่าเราควรจะบวชข้อเข้าไปกราบพระบุทรเจ้าขอบวชเมื่อได้บวชแล้วท่านว่าขณะที่ทำการ บุริกรรมอยู่ในระหว่างพิธีบวชนั่นเองความทุกข์ต่างๆที่ท่านมีนะั้นเริ่มคลายหายไปอย่างเห็นเห็นแล้วพอบวชเสร็จก็ทำกรรมฐานขอกรรมฐานทำรราะรบรรลุเป็นพระอรหันในวันนั้นเลยนเนี่จะเห็นว่าเป็นชีวิตของบุคคลที่ประสบความล้มเหลวในทางโลก แต่ในทางการบวชนั้นกลับบรรลุเป็นพระอรหันในวันนั้นเห็นจะเรียกได้ว่าเป็นพวกบัวไม่ช้าแต่น้ำขุนหรือบัวช้นาน้าไม่ขุนหรือโลกช้าแต่ทำไม่ขุนเพราะนั้นเรื่องนี้เราก็คงจะต้องทราบว่าชะตาชีวิตคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยประสบควา ม, วมล้มเหลวในชีวิตมาก่อนที่พบทำ และเพราะเป็นชะตาที่ว่าเมื่อจะมาพบธรรมต้องประสบความล้มเหลวในชีวิตอย่างรุนแรงแต่บางคนนั้นชีวิตอาจจะประสบความาสำเร็จในทางโลกอย่างสูงสุดแล้วก็เบื่อหน่ายเองธรรมะกระตุน้นบา ร, รมีกระตุ้นให้เข้ามาพบธรรมะเองแล้วก็มาประสบความสำเร็จในทางธรรมบางคนก็ประสบความสำเร็จในทางโลกแล้วก็เข้ามาสู่ทางธรรมไม่ประสบความสาเร็จก็มี จะตากรรมคนนั้นไม่เหมือนกันตรงนี้นะเราอย่าพูดว่าตัวธรรมะที่เข้ามาสู่นั้นทำให้ล้มเหลวหรือทำให้สำเร็จจริงๆแล้วนะธรรมะนะั้นสามารถจะทำคนให้ประสบความสำเร็จแต่ต้องหมายความว่าคนนั้นได้บริโภคธรรมะตามเงื่อนไขแล้วก็ธรรมะนั้นก็จะเข้าไปมีผลต่อบุคคล น, นั้น ตามพื้นฐานเดิมของแต่ละคนและเรามีพื้นฐานอะายเราต้องสังเกตไว้และต้องพร้อมที่จะรับพื้นฐานนั้นในชาตินั้นๆในจังหวัดนั้นๆเพราะว่าไอตอนที่เราล้มเหลวนะั้นเราอาจจะไม่ได้เอาธรรมะไปใช้เราก็เลยล้มเหลวแล้วก็ไม่ได้มีทางแก้หรือว่าเราเอาธรรมะไปใช้ตอนนั้นอย่างดีแล้วล้มเหลวก็มีเราก็ได้เคยพูดถึงประวัติของพระบางองค์มาแล้ว ก็เพราะว่าเรานั้นไม่ได้ใช้ธรรมะต่อเนื่องมาทุกภพทุกชาติก่อนหน้านั้นอาจจะชาตินั้นในเบื้องต้นของชีวิตหรือว่าในชาติก่อนนั้นได้กระทำเหตุที่จะทำให้ชีวิตล้มเหลวไว้ด้วยพร้อมกับทาความดีที่จะมากอบกู้ชีวิตใหม่ได้ด้วยมันก็มาเป็นผลแก่ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอราหันต์แล้วท่านจึงได้กล่าวข้อความให้ข้อคิดว่าชนทั้งหลายถูกมานะหลอกลวงแล้วเศ้าหมองอยู่ในสังขารทั้งหลายผูกความมีลาภและความเสื่อมลาภ ย, ย่ำยีแล้วย่อมไม่ได้บรรลุสมาธิเลย คำว่านะสมาธนะิหมายถึงสมาธิชั้นสูงนะเป็นที่สุดคือเ อ, เอาความว่าอรสาธผลอรสาธผลสมาธิเบื้องสูงแต่ก็อนุโลมไปถึงสมาธิเบื้องต้นๆเบื้องต่าๆด้วยเที่ท่านพูดออกมากว่าคนที่มีความถือตัวนะติดยศติดตําแหน่งติดหน้าติดตาติดศักดิ์สิทธิ์ตัวเองแล้วก็จิตใจก็โศกปลก อยู่กับไอ้สังขารตัวเองสังขารภายนอกทับทิ้นสลิงการเนี่ยเรียกว่าเป็นสังขารทั้งหลายใจเราเศร้าหมองเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะเราเกี่ยวข้องกับสังขารเหล่านี้ด้วยความรู้สึกในทางกิเลสลาภ ก, กาละเมื่อมันคอบงมเราได้ความเสื่อมลาภก็ย่ำยีจิตเราได้แล้วเมื่อย่ำยีจิตเราได้เนี่ยครับมันทาให้เกิดความทุกข์แล้วเมื่อ ใจถูกย่ำยีอย่างนี้ได้กิเลสความยินดียินร้ายเข้ามาครอบ ง, งมจิตได้ก็บรรลุสมาธิความสงบไม่ได้ข้อนี้ก็เป็นปัจจัยต่อเนื่องไปถึงผลประโยชน์ทางจิตนั่นก็เป็นคำที่เรียกว่าสรุปชีวิตของท่านทั้งชีวิตเนี่ยครับมาไว้ในคำพูดสั้นๆดังกล่าวมา ต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยสามองค์ที่หนึ่งร้อยสามชื่อว่าท่านพันธุระไม่ใช่พันธุระเสนาบดีแต่เป็นพระชื่อว่าพันธุระท่านพันธุระนั้นเป็นลูกเศรษฐีชาวนครศีลวัมอ่ีคงจะ อ, อยู่ในแคว้นมคตเป็นนครเล็กๆอยู่ในแคว้นมคต อาจารยโทษใระเชษมาโคดแกนสาวัตถีเมืองสาวัตถีแกนโกศลแล้วท่านผู้นี้เป็นลูกเศรษฐีน่ะได้ครั้งหนึ่งได้เดินทางมาสู่นครสาวัตถีด้วยกิจบางอย่างเมื่อมาถึงนครสาวัตถีซึ่งในตอนนั้นพระเชตวันทราบแล้วและพฤติกรรมของชาวเมืองในตอนนั้นก็ไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเป็นกิจวัดเป็นปกติทุกๆวัน เมื่อตัวมาสู่เมืองพระเมืองพุทธในสังคมราสังคมพุทธซึ่งมีกิจ ว, วัตรอย่างนั้นก็เลยเลยเรียกว่าสังคมพาไปได้ตามกลุ่มญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาไปวัดฟังธรรมแต่ว่าเมื่อพันธุระเป็นผู้มีบรมีเก่าสางสมมาดีฟังธรรมะแล้วก็เกิดความเริ่มสายถึงขั้นบวชเลย บวชเลยนะเมื่อบวชแล้วก็ไปประพฤติ ธ, ธรรมไม่นานนักบรรลุเป็นพระอรหันต์ีวริตท่านก็าบเรียบดีนะครับเมื่อบวชบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ได้เดินทางกลับไปบ้านเกิดได้ไปแสดงธรรมเทศนาโปรดพระราชาเรียกพระราชาที่ครองนครที่ชื่อว่าศีละวดีเมื่อตะกี้นี้ พระราชาฟังธรรมะก็เริ่มใสเริ่มใสก็สร้างวัดชื่อว่ามหาสุทัศนะถวายแล้วก็อยากจะให้ท่านอยู่ที่นั่นอยากดวงก็อยากให้อยู่ที่นั่นแต่ว่าท่านเองท่านเป็นคนไม่ติดลาบไม่ชอบพันธะผูดงายไม่ชอบอยู่กท็ที่แล้วก็ไม่ชอบ อ, อตําแหน่งเป็นเจ้าว่าเจ้าสานักท่านอยากจะอยู่ปลีกเล่นของท่านไปตามสะดวกใจท่านก็จึงมอบ สังคารามให้กับรสทิกสู่ต่งหลายแล้วก็บอกว่าท่านเองท่านไม่ชอบรับตำแหน่งไม่ชอบข้อผูกมัดในลักษณะอย่างนี้ถึงจริงๆนะท่านเองท่านก็ไม่ได้ยึดติดหรือว่ า, ามีจิตใจเข้าไปเกลือกล่อมปุพานแลครับแต่ว่าท่านชอบวิเวกเกื่อนี้ก็เรื่องอุปนิสัยคนแตกต่างกันเป็นอรหันต์แล้วก็ยังมีความแตกต่างกันอย่างนี้ แต่ว่าจะเป็นแตกต่างอย่างท่านเป็นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดจะแตกต่างอย่างท่านผู้อื่นที่เป็นอย่างตรงข้ามกับท่านก็ไม่ใช่เรื่องผิดนี่พูดถึงว่าการณีที่เป็นนัลานเดวยกันเพราะฉะนั้นท่านจึงได้บอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเราไม่มีความต้องการด้วยล้วคืออามิตรนั้นมีความสุขพอแล้วคือมีความสุขกคุณธรรมท่านพอแล้วเป็นผู้อิ่มเ อ, อิบอยู่ด้วยรถแห่งธรรม ครั้นได้ดื่มรถอันล้ําเลิศเช่นนี้แล้วจะไม่กระทําความสนิทสนมด้วยรถอื่นอีกเนี่ยเป็นคำนวนนะคําว่าสนิทสนมด้วยรถอื่นอีกหมายถึงไม่มีรสชาติของรถอื่นคือหมายถึงลาภสการละหรือตําแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆที่จะทําให้ท่านรู้สึกซาบซึ้งที่กรถตธรรมะและท่านเองท่านก็ไม่ต้องการที่จะอาถือครองบริหารดูแลสิ่งเหล่านี้อยากจะอยู่กับธรรมะ มีแต่ตัวท่านกัตธรรมะเท่านั้นนี่ก็เป็นอุปนิสัยของท่านที่ท่านได้ประกาศแก่บรรพูตรต่างหลายเหล่านั้นพร้อมกับขอจาริกไปสู่ที่วิเวกหรือว่าเปรีกวิเวกไปตามปฏิยาไซของท่านนั่นเป็นองค์ที่หนึ่งร้อยสามต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยสี่ชื่อว่าท่านคิตกะท่านคิตกานั้นเป็นชาวเมืองตะวถีอีกเป็นลูกพราหมณ์ อ่าทั่วๆไปคือไม่ใช่พระรามพิเศษล่ำรวยอะไรนะท่านได้ยินกิตติศัพท์ของพระโมคกขลานะก็คงจะได้ยินองค์อื่นด้วยแหละครับเพราะว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นบางองค์ก็ปัญญาบางองค์ก็มีคุณพิเศษอย่างอื่นๆแตกต่างกันท่านโมกขลานะก็มีคุณวิเศษทางลิศและท่านก็เกิดความรู้สึกนิยมชมชอบท่านพระโมคขลานะที่เป็นผู้เก่งในทางลิศทางสมาบัติอภินิหาร แล้วก็มีความปรารถนาว่าอยากจ ะ, จะเจริญรอยตามท่านพระโมคคัลลานะอ่านี่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าอ่าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะชอบพระที่มีลักษณะเป็นแบบอย่างต่างกันและบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลูกศิษย์ของพระหนึ่งแต่ไปชอบบุคลิกพระอีกพระหนึ่งชอบความสา ม, มารถขรอความรู้ของพระอีกพระหนึ่งไม่ได้ชอบอย่างที่อาจารย์ทั้งตัวเองเป็น ข้อนี้ก็เป็นไปได้ตอนนั้นก็แล้วแต่ใครจะชอบทางไหนแล้วพระเทระที่ท่านเป็นอย่างที่ท่านเป็นอย่างในสมยัยพุทธเจ้าท่านก็อาศัยพระสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ได้เห็นเป็นต้นแบบเป็นที่ชื่นชอบคือไอาการชอบเนี่ยบางทีชอบแต่ตัวเองไม่อยากเป็นก็มีอย่างเช่นพระทุกองค์เนี่ยเราก็ชอบทั้งนั้นแต่พอจะมานึกอย่างเป็นต้นแบบ เราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ชอบเป็นอย่างองนี้ไม่ชอบเป็นอย่างท่านปุี้แต่ชอบเป็นอย่างท่านปุนั้นแต่องค์ที่เราไม่ชอบเป็นเราก็ชอบนับถือเรื่มใสท่านเมื่อนิยมพระโมคคัลลานะอย่างนี้ต่อมาท่านได้ออกบทบทเพื่อที่จะบำเพ็ญทำให้เป็นอย่างพระโมคคัลลานะให้ได้ ก็ท่านไม่ได้นึกถึงขนาดว่าจะเป็นเท่าพโมกขลานะเพียงแต่ว่าจะทําให้ได้คุณสมบัติในสายของพโมกขลานะในที่สุดท่านก็ไปทําภาวนาต้องเลือกทําแบบสมถียานิกคือทําฌานให้เกิดด้วยแล้วก็ทําวิปัสสนาต่อจากฌานใช้ฌา น, านต่อวิปัสสนาทําฌานต่อวิปัสสนาจนกระทั่งได้วิปัสสนาญาณมรรคผลไปโดยลดาดแลดะบรรลุเป็นราลาน เลยเป็นพระอรหันต์ที่มีความสามารถในทางฤทธิ์ถึงจะไม่เท่ากับพระโมคคัลลานะไม่ช่ำชองหรือได้รับยกย่องเป็นเลิศ อ, อย่างพระโมคคัลลานะแต่ว่าท่านก็มีฤทธิ์ในทํานองอย่างที่พระโมคคัลลานะทําได้แต่ว่าพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์อย่างในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านจะมักจะมีปฏิหารสองอย่างเสมอคือ กิจที่ปฏิหารกับอนุสาสนีปฏิหารนะอย่างองค์นี้เหมือนกันถึงใจท่านจะชอบฤทธิ์แต่ว่าท่านก็ประพฤติ ท, ทำครบไม่ได่ทําฤทธิ์อย่างเดียวจนท่านกลายเป็นวิชาไสยศาสตร์หรือวิชาขลังไปอย่างนั้นนะอะความมุ่งหมายท่านนะ่เพียงแต่ว่าท่านเองก็ต้องการเป็นพระอรหันต์แต่เป็นอารหาันต์อย่างมีฤทธิ์เพราะฉะนั้นท่านจึงได้ทั้งฤทธิ์และหมดกิเลสได้ทั้งความสามารถในทางฤทธิ์และได้ความดีด้วย เมื่อท่านได้กธรรมะด้วยท่านก็สามารถแสดงฤทธิ์ได้ด้วยแสดงธรรมะได้ด้วยจึงว่าท่านได้อนุเคราะห์พระาศาสดานี่เป็นตำห น, นิอนุเคราะห์พระาศาสดา ห, หมายถึงช่วยพระพุทธเจ้าอนุเคราะห์พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่อนุเคราะห์เอาโน่นนี่ไปแจกไปช่วยท่านแต่อนุเคราะห์กพระพุทธเจ้าซึ่งมีความมุ่งหวังในทางเผยแผ่ศาสนาเนี่ยก็คือช่วยงานพระพุทธเจ้าเรียอนุเคราระห์ศาสดา อนุเคราะห์ด้วยปาฏิหารสองคืออนุสาสนีปาฏิหารกับอิทธิปาฏิหารใช้สองอย่างช่วยพิเคียนว่าพระพุทธเจ้าต้องการจะแสดงธรรมแล้วก็ต้องการให้คนใช้ลิตรเหมือนอย่างใช้พระโมฆลลานะบางทีใช้ลิตรเนี่ยเป็นตัวกลุยทางก่อนใช้ลิตรเข้ามาประกอบเหมือนอย่างหาท่าน อุลุเวลาการสปะที่เสด็จไปพร้อมพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปโปรดพระเจ้าพิมปิสารพระพุทธเจ้าก็ทรงขอให้อุลุเวลาการสปาท่านทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คนแน่ใจในพระพุทธเจ้าหมดความสงสัยท่านก็แสดงลิปแล้วก็มาแสดงความขอรบอันนี้เรียกใช้ลิปอนุเคราะห์ภาษาสดาเพื่อเป็นประโยชน์แก่การแสดงธรรมแล้วก็บางครั้งก็ช่วยแสดงธรรมพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรม อ่าขยายความในบทย่อของพระองค์บ้างหรือให้แสดงธรรมแก่คนนั้นคนนี้หรือไม่ให้แม้ว่าเป็นผู้แสดงธรรมเองก็ชื่อว่าช่วยพระบูติจ้าคือการทําอย่างสํานึกว่านั้นไม่ใช่งานของตัวงานของบูติจ้าทําเพื่อบูชาเพื่ออนุเคราะห์菩าสดาก็นับว่าจะช่วยงานได้ทั้งสองด้านเลครับ ทางงานด้านกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงกลาโหมสมองนั้นนะหรือกระทรวงมหาดไทยช่วยทั้งสองด้านเลยบริหารกับวิชาการนี่ก็เป็นประวัติของท่านแล้วก็เป็นแบบอย่างก็ตรงนี้แหละเรื่องช่วยศาสนาด้วยปฏิหารสองอย่างใครมีอย่างเดียวก็ช่วยอย่างเดียวไป และอาจจะช่วยอย่างไหนมากกว่ากันนั่นก็อีกเรื่องถ้ายกตัวอย่างพระเดี๋ยนี้ก็เราก็นึกถึงหลวงพ่อคูณเขาก็ช่วยไปในเชิงปฏิหารเอาคนศาสนารักษาคนนั้นในศาสนาใช้ฤทธิ์ช่วยเอ อ, อย่างเจ้าคุณประยุทธ์ก็ใช้ในทางอนุสาสนีปฏิหารแสดงธรรมพระพยอมก็ใช้อนุสาสนีปฏิหารบางท่านก็อาจจะใช้สองอย่างประกอบกันคือมีความสามารถทางจิตด้วย แล้วก็มีความสามารถทางแสดงทำด้วยในเมืองไทยเราก็มีอยู่ทั้งหลายองค์สายจันมันก็มีเยอะลอยไปถึงองค์ที่ร้อยห้าองค์ที่ร้อยห้าชื่อว่ามริตะวัมภะเถระท่านมริตาวัมภะเถร ะ, เะนั้นเป็นลูกลามชาวกรุวัชชะนคร ก็เป็นเมืองเล็กเมืองหนึ่งเห็นใจอยู่ในอาณาบริเวณของอาณาจักรกุรุนะท่านได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาและได้บทเนี่ยเพราะได้ไปฟังธรรมะจากพระเถระองค์หนึ่งชื่อว่าภูมหาเถร ะ, อะขอโทษนะท่านปัจฉาภูมหาเถระ ไปฟังธรร ม, มากับท่านเกิดความรื่นสายแล้วก็บวชบวชแล้วก็ได้เจริญวิปัสนาตามธรรมดาของปลาสมัยนั้นโดยมากและได้บรรลุเป็นปลาหลานในที่สุดอการบรรลุเป็นปลาหลานของท่านเนี่ยได้เงื่อนไขได้ปัจจัยเสริมจากเสนาสนะสัพปายะอั้นตัวอย่างท่านนั้นก็เป็นตัวอย่างในเชิงเสนาสนะสัปพายะที่ท่านเองพิถีพิถันได้ละมัดระวังคือว่า เวลาท่านจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะท่านจะมาระวังดูแลเรื่องเสนาะนะสัพยะวาวาไอ้หลักการพิจารณาเนี่ยท่านใช้หลักตรงนี้อ่าเหมือนอย่างสูตรบางสูตรพูดถึงแล้วก็เหมือนอย่างบางคนถามว่าเอ๊้ไปทําที่ไหนดียังไงถามว่าจะใช้อะไรเป็นมาตรเป็นมาตรการประกอบตัดการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแน่นอนที่สุดอยู่ตรงไหน พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่าจะเป็นครูก็ตามหรือจะเป็นสถานที่ก็ตามหรือจะเรียกง่ายๆว่าจะเป็นอาจารย์ในสำนักก็ตามถ้าไปอยู่กับใครที่ไหนแล้วสติที่ไม่เกิดไม่เกิดสติที่เกิดแล้วเสื่อมที่นั่นควรอยู่ไหมไม่ควรอยู่แม้ว่าโภชนะพิขาจะหาง่าย แม้ว่าอาผู้ที่เป็นเจ้าสํานักจะอย่างโนอย่างนี้ใหญ่ใหญ่โตโมโหมอลานจะมีคุณวุฒิยังไงยังไงไม่มีความหมายกับเราแต่ว่าที่ใดก็ตามถ้าไปอยู่แล้วสติที่ไม่เกิดเกิดขึ้นสติที่ไม่ตั้งมันเนี่ยตั้งมันสติที่เกิดแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุบรรลุว่าเป็นขั้นขั้นไปนวิธีวิถีก็คือดูเป็นขั้นขั้ไป แล้วก็ใช้เป็นขั้นขั้นไปไอ้คาว่า เ, าเกิดเนี่ยบางที่มันเกิดขัน้นนี้พอไปถึงอีกขั้นหนึ่งตันแหละกับที่นั้นพอตันแล้วเนี่ยหมายก็ว่าแม้ว่าจะอยู่ตัวก้าวต่อไปไม่ได้เนี่ยก็ต้องย้ายไปหาใหม่แล้วก็ต้องหาไปอย่างนี้เลื่อยในในสมัยอย่างของเรานะี่ยสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์โดยมากจะพอจับมือจูงแล้วก็จูงตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางได้ แต่เดี๋ยวนี้ความสามารถคนนั้นจำกัดลงก็ต้องไปกันเป็นขั้นๆเป็นที่ที่ท่านก็ถืออย่างนี้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วได้ธรรมะที่นั่นให้อยู่อยู่ที่ไหนแล้วไม่ได้ธรรมะที่นั่นแม้จะดีวิเศษในทางกายภาพอย่างไรก็ไม่อยูอ่เพราะฉะนั้นท่านจึงได้ กล่าวเนื้อความเป็นหลักฐานปรากฏเราเกิดความกะสันขึ้นในที่ใดเราย่อมไม่อยู่ในที่นั้นแม้เราจะยินดีอย่างนั้นก็พึงหลีกไปเสียคำว่ายินดีอย่างนั้นคือยินดีไอความรู้สึกชั้นนอกยินดีด้วยเหตุผลชั้นนอกว่าที่นี่พิกาหาง่ายที่นี่ปัจจัยเือนหาง่าย ี่นี่อาจารย์พูดจาหน้าเรื่อมใสที่นี่อย่างงูอย่างนี้ก็แล้วแต่นะข้างนอกก็ ด, ดูดีแต่ว่าธรรมะไม่เดินแล้วอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเราเกิดกสันคําว่ากสันนี่จงๆทั้งความยินดียินร้ายนะโดยย่อคือความยินดีร้ายปรากฏต้องหลีกก็อยู่ไปนั้นเราไม่ได้ประโยชน์ในทางการจําระจิตในทางลึก ทีนี้ท่านบอกว่าแต่เราเห็นว่าการอยู่ในที่ใดจะไม่มีความเสื่อมเสียเราก็พึงอยู่ในที่นั้นคืออยู่ในที่ใดนั้นคุณธรรมไม่ตกก็อยู่ในที่นั้นนี่เป็นเป็นเกณฑ์พิจารณาอย่างง่ายๆทีนี้ถามว่าไอ้ที่มันอยู่ในที่ใดมันตกมันขึ้นเพราะอะไรนะอธิบายรายละเอียดมาเยอะแต่อย่างย่อก็คือว่าไอสถานที่นั้น ไอ้ความน่าพอใจภายนอกความสะดวกสบายข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไม่แสลงความรู้สึกข้างนอกไม่แสลงกายภาพเราแต่ว่ามันแสลงกิเลสแสลงกรรมเงี้ยมีทั้งแสดงกรรมแสลงกิเลสอย่าอยู่บางทีไม่แสดงกรรมไม่แสดงเกศกิเลสแต่ว่าไม่สอดคล้องกับกุศลธรรมและบารมีเราเราก็ควรจะไปหาที่สอดคล้องกับกุศลธรรมและบารมีเรายกตัว อ, อย่างเช่นว่า อ า, อาจารย์นี้ไม่ใช่เวไ น, นของกันและกันอย่างดีนะหมายถึงเอาขั้นว่าจะทำให้เราบรรลุประโยชน์สูงสุดเท่าที่ดวงชะตาเราจะพึงบรรลุได้ได้ประโยชน์ได้เราก็ต้องหลีกลาจากอาจารย์นั้นเสียเพื่อไปหาสานักและอาจารย์ที่สอดคล้องกับบุญบารมีของเรากับความเป็นเวไ น, นของเรา เรื่องนี้บางทีเราอาจจะมองไม่ออกแต่ผมก็เสนอแนะให้ใช้ว่าการตั้งอธิษฐานจิตเข้าไว้เข้าไว้เนี่ยและให้อธิษฐานนเป็นตัวชี้เบาะแสให้เราได้เห็นถ้าเราคิดไม่ออกนะถ้าคิดออกด้วยอธิษฐานมีพลังนะอธิษฐานด้วยก็ใช้ประกอบกันสองอย่างจะเป็นจะทําให้เราชัดเจนในทางข้อมูลเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้นถึงขนาด บางค น, นถึงฮคได้ยินชื่อเนี่ยรู้สึกว่าแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ผู้นี้ไม่ใช่แล้วก็นานเข้านานเข้ามันก็ก็จริงอย่างนั้นแต่บางเอเรายกตัวอย่างไม่ได้เพียงแต่เอ่ยแค่เล่าๆอย่างนี้แล้วบางคนก็ได้ยินแล้วก็รู้สึกว่านี่ใช่ความรู้สึก มันเกิดความรู้สึกลวงหน้าว่าใช่แล้วสมัยพุทธกาลก็มีแบบนี้อย่างแต่นี้ไอ้บางคนก็พลาดพลาดเนี่ยบางทีก็ไอ้มีความรู้สึกมีสติปัญญาพอจะได้แต่พอมีกรรมเข้ามาแทรกเนี่ยทํากรรมทําให้พลาดทาไม่มีกรรมทําให้พลาดแต่ตัวเองมีธรรมนะฐานทางญาณปัญญาน้อยมีอบุญบา ร, รมีทางสังข์หอ น, น้อยก็ทําให้อ่า เรียกว่าคลุมเครือเอย่าใช้คําว่าคลุมเครืออยู่พักหนึ่งแล้คําว่ามีกรรมเนี่ยบางทีมันก็กรรมอื่นแต่เราจําเป็นจะต้องแก้กรรมอันนี้ก็เลยจําเป็นต้องไปฉกสวยต้องไปเห็นความสําคัญต้องไปเรียกว่าเจอเจอหมาเน่าก็จําเป็นต้องกอดไปก่อนกอดไป ก, อ, กอดมาเราก็กว่าจะทิ้งได้ทิ้งแล้วไอ้กลิ่นเหม็นยังติดตัวเราไปทั้งนานต้องไปกอกตัวกันแล้วกอกตัวกันอีกให้อย่างงั้นก็มี เงินกร่ำถึงเป็นแรงบีบทั้งโดยตรงโดยอ้อมโดยตรงก็แปลว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้แนะ่แม้ว่าเราเองนะไม่มีความจําเป็นในทางเงื่อนไขอะไรเลยเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีความทุกข์ไม่มีความเบื่อร้อนไม่มีความต้องการอะไรเลยเกี่ยวกับเขาแล้วบางทีจะไป จ, จ, จะต้องไปช่วยเขาแตทนนั่นแหละก็ถึงขนาด น, นั้นจะต้องไปช่วยไปอะไรเขา ไปเกือ้อกูลเขาเนี่ยไอพ่อไปเกือ้อกูลเขาเนี่ยเรียกว่ากลายเป็นว่าเล่นกับหมาห ม, มาเลียปากเลยอย่างเงี้ยนะเล่นกับสากๆากตีหัวเลยเพราะนั้นจะให้ํำนองว่าจะให้อาหารให้อาหารสัตว์้ายถึงต้องเตรียมตั้งท่ายืนให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวเอาเอากล้วยไปให้ไอหมีในกรงกินมันฉุดกระชากลากหัวเข้าไป อย่างเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสวนสะาธารณะไกลๆอย่างนั้นนะนั่นนี่ก็หมายความว่าคนมีกรรมนะถึงคือว่าถึงทําทําความดีชนิดที่ไม่ขึ้นมันไม่ใชะไม่ขึ้นมาทั้งชีวิตอะ ท, ทาความดีไม่ขึ้นนะคือจะต้องไปเจอแบบนั้นชะตากรรมของอบางรายเป็นอย่างนั้น คนตั้งแต่สมัยเพื่อการมาโดยลําดับก็มีอย่างนี้ราจะตาเราแต่ละแง่ยแต่ละมุมก็จะต้องมีทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีผลในทางธรรมะก็เช่นเดียวกันครับอกล่าวจะกล่าวถึงต่อไปนี้เอเดี๋ยวท่านท่านท่านมาลเนี่ยแปนงไปนานว่าท่านบารรลุเป็นพราหลานไปแล้วนะเพราะว่าการที่ท่านเลือกเนี่ยเลือกอย่างฉลาดเนี่ยครับ เ, รเลือกอย่างมีหลักมีเกณฑ์บรรลุไปแล้ว อองค์ต่อไปนั่นคือองค์ที่หนึ่งร้อยหกองค์ที่หนึ่งร้อยหกชื่อว่าสุเหมันตะท่านสุเหมันตะนั้นเป็นลูกพราหมณ์เกิดในชนบทชายแดนของอินเดียซึ่งในครั้งนั้นว่าที่จริงแล้วชนบทชายแดนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะยังเสด็จไปไม่ถึงก็มีพวกที่ มาเลื่มใสก็มักจะมีโอกาสเข้ามาสู่ในที่ที่พระเจ้าทรงประกาศศาสนาอยู่ท่านผูน้นี้ท่านเป็นลูกพราหมณ์อย่างที่เกิดในปันจาาชนบทแาแดนที่ใดที่หนึ่งเนี่ยได้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่เมืองสังกัตสาที่พระเจ้าทรงเสด็จลงจากการไปโปรดพุทธมารดาแล้วก็ได้ไปเฝ้าเมืออหลังจากที่พระเจ้าเสด็จลงจาก อาวดึงนะฮะพระเจ้านั้นได้ทรงประทับอยู่แถวบริเวณที่ทรงเสด็จลงจากอารวาดึงซึ่งมีวัดว า, ารามอยู่มาถึงสมัยหลังพุธการแต่ว่าตอนที่ท่านสุมเหมันตาไปเฝ้าเนี่ยไปเฝ้าทีมมิคทายาวันหรือมรุกธายาวันหรือสวนฟางสวนฟางแถวสังกัสรานครนมีนะฮะ อ่าดูเหมือนว่าพระจีนนั้นยังได้ไปทันได้เจอร่องรอยสวนฟางสวนฟางมีอยู่หลายที่ครับที่สังกสารนั้นมีและเป็นที่ประทับภุมเจ้าี่ด้วยเหมือนกันท่านสุมเมหิมันตราได้ไปเฝ้าได้ได้ไปฟังธรรมที่นี่เมื่อฟังธรรมแล้วก็เริ่มสายบวชแต่ชีวิตการบวชของท่านนั้นอ่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ค่อนข้างจะผิดแปลกแหวกแนวไปจากพระองอื่นในสมัยพุทธกาลชีวิตเป็นอย่างนี้มีน้อยน้อยเนี่ยหมายถึงสุระในพระพุทธศาสนาเราได้รู้อยู่ว่ามีสองคันถาสุระกับวิปัสนาธุร ะ, ะ, ระหรือที่เรียกว่าปริยัติปริยัติกับปฏิบัติปฏิบัติปริยัติเป็นสองเป็นทางดำเนินดุจครองอย่างบทถวดมนนะที่นี้ ไอ้อย่างที่เราชอบผู้ชอบสามหรือก็ชอบข้อตางสร้างขอสังเกตคนเนี่ยบางคนเข้ามาทางปริยัตเรียนเป็นผู้แต่กชารแล้วก็มาได้เข้าปฏิบัติเลยก็มีบางคนก็เข้ามาทางปริยัตก่อนเรียนแต่งารแล้วก็ตอนหลังมาปฏิบัติบางพวกวก็เข้ามาปฏิบัติก่อนแล้วก็ไม่ปริยัตเลยปริยัตในหมายถึง เ, เรียนรู้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเป็นระบบระเบียบ น, นะะไม่ใช่เรียนเฉพาะใช้ อันนั้อันหนึ่งแต่ในที่นี้หมายถึงเรียนเป็นทุละเป็นสายทางการศึกษาอันหนึ่งบางคนก็ปฏิบัติได้รับความเสด็จแล้วก็มาเรียนปริยัตภายหลังอย่างเป็นเรื่องเปลาบางคนก็ศึกษาปฏิบัติไปคลิกิ ก, ก, ก, ก, ก, กไปได้วยกันนะอันไหนจะมากจะน้อยกว่ากาันอาจจะต่างกันบ้างแต่ว่าพอเริ่มพับเนี่ยเข้ามาด้วยกันหลายคนเป็นอย่างนี้ ชอบทั้งสองอย่างแล้วก็เริ่มต้นมาได้คู่ๆกันมาแม้ครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานเดี๋ยวนี้ก็เป็นก็เป็นอย่างนี้บางองค์ก็อย่างเนี้ยบางท่านเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ผมก็เลยจะเรียนปริยัติเก่งมากแต่พอปฏิบัติแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะทำไม่ขึ้นเลย เอเรายกตัวยอย่างชัดไม่ได้แต่ว่าเรามองมองดูแล้วมันเหมือนเป็นเวรกรรมเพราะว่ า, า, ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เล่าเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แก่เรานะเป็นเรื่องอัศจรรย์มากในการพูดถึงกันในหมู่ของคนที่เรารู้จักไม่จักกันเป็นคนที่ทรงคุณวุฒิสูงมากทั้งในทางบาลีในทางหลักพระไตรปิฎกอะไรต่าง แต่ปฏิบัตินี่ไม่ได้เลยครับแล้วก็จะกลายเป็นเปลีนเปียนไปนะนี่เราก็มามองว่าไปแล้วอะไรเนาะเรื่งเป็นอย่างี้ก็สันนิฐานเอานะนี่ขอให้นึกว่าเป็นข้อสันนิฐานว่าโอตลอดเวลาเนี่ยอาจจะไปเสียตรงที่ว่าเรื่องของการบริภาษ์ด่าว่ า, าผู้อื่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องปฏิบัตินเนี่ยด่าว่าเป็นลักษณะเป็นปฏิบัติเป็นอะไร ไล่แรงไปรุนแรงไปนะฮะเลยพอตัวจะมาทำบ้ า, บางเขากลายเป็นทําไม่ได้ครับจะเพี้ยนเอาถึงกับว่าบางทีจะว่าเป็นบ้าเอาเนี่นะผมก็ยกตัวอย่างไม่ได้จริงๆครับเล่าชัดไม่ได้เล่าชัดแต่เดี๋ยวผมปฏิบัติจะเป็นบ้าไปด้วยจะเป็นบาปเป็นคำนะแต่นี่เราก็มองแล้วก็แอบเห็นเป็นข้อสังเกตเป็นแบบอย่างแก่เรานะฮะโอแหมนี่เป็น เป็นไปแล้วจริงๆว่าคนเรียนไอ้ที่บอกว่าคนที่เรียนรู้แล้วจะปฏิบัติได้เองจะปฏิบัติได้ดีเนี่ยมันไม่แน่คนไม่เรียนรู้ก็มันก็มีเงื่อนไขอื่นนะมีเหตุปัจจัยอื่นทุกกรณีไปอย่าไปว่าเอาเป็นเด็ดขาดหรือไปยอมรับเอาเป็นเด็ดขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้เยอะครับเพราะว่าคนไม่ได้ยืนอยู่ที่เหตุปัจจัยเดียวหรือเหตุปัจจัยอย่างสองอย่าง เนี่เรื่องนี้เน่ะแม้จะคนจะมาถามผมถ้าไม่ใช่คนรู้จักกันอยู่ผมก็ไม่อาจพูดได้แต่ถ้าคนรู้ๆกันอะไรเงี้ย่าคนเล่าก็รู้จักกันมานานรู้จักกันกันไปกันมาเงี้ยเราพูดกันได้กระซิบกระซาบกันได้ออะไรอย่างนี้ก็ทําให้เสียดายนะพูดไงว่าเสียดายแล้วก็อาจจะต้อง ลมหายายจากไปอย่างแบบนี้ไม่ได้ประโยชน์มากกว่า น, นี้ที่ันที่นี้พูดนะว่าท่านองค์นี้ท่านเป็นยังไงท่านบวชแล้วท่านมาเรียนก่อนครับเรียนแบบหลักทางศาสนามีอะไรเนี่ยเรียนจนกทั้งเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นธรร ม, มัทโรผู้ทรงธรรมรักที่จะเรียนรักที่จะทรงจำรู้พระสูตรรู้ธรรมะที่เจ้าสอนเนี่ย เรียกว่าครบทั่วไปหมดจากนั้นท่านจึงมาลงมือทําวิปัสนาต่อภายหลังนี่ปฏิปฏิบัติไอปริยัตมาก่อนปฏิบัติมาภายหลังแล้วท่านเองท่านก็ไม่ไม่ผิดหวังอันนี้เรียกว่าเรียนและเรียนก็มาช่วยเสริมปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติท่านก็ปฏิบัติบรรลุได้เร็วได้อะ เป็นอรหันต์ฝ่ายชาลาพิญญาอารหันต์ได้พิญญาด้วยได้คุณสมบัติของความเป็นอรหันต์ชั้นดีเนี่ยครบและที่สําคัญเน้นไปด้วยว่าได้ปฏิสัมพิาทาสี่อย่างแตกฐานอารหันต์ใดที่รู้ปริยัติโอกาสที่จะเป็นอรหันต์ปฏิสัมพิทาเนี่ยมันได้ทันทีนะได้ง่ายเลยครับเพราะปฏิบัติในเป็นตัวชําระปริยัติให้กระจ่าง ปริยัติก็เป็นตัวเสริมคุณสมบัติของอราหันตคุณเนี่ยให้สมบูรณ์ด้วยลักษณะที่ควรมีควรเป็นและอราหันตประชามิทาเนี่ยในบทบาทการบริหารงานทางศาสนาหมู่คณะจะเป็นผู้ที่สอนได้ทั้งปริยัติและปฏิบัติอย่างกระจ่างชัดปฏิบัติก็สอนกระจ่างชัดและครบทั่วดีปริยัติก็กระจ่างชัด เพราะอาศัยธุระที่ทำสำเร็จทั้งสองอย่างเกื้อกูลกันดังนั้นเมื่อท่านเป็นอาหารแล้วท่านก็มาสอนหมู่สอนคณะสอนศิษย์ดังนั้นเมื่อท่านมาสอนลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์ก็ท่านกัจลาดและท่านได้ให้ความคิดในทาง การฟังและความเข้าใจการฟังซึ่งจะเข้าใจได้ขั้นว่าฟังแล้วก็เข้าใจได้ด้วยปัญญาชั้นการคิดหรือฟังแล้วก็คนนั้นปฏิบัติเอาเอาปฏิบัติเข้ามาเชื่อมต่อกับบริยัติปฏิบตัติคุณบตัติทางปฏิบตัติมาขยายบริยัติก็ดีจะทําให้เข้าถึงธรรมะได้อย่างเรียกว่าครบถ้วนถ้าผิดไปจากนี้แล้วก็ จะผิดมากผิดน้อยแต่ผิดมากเลยก็คือว่าปฏิบัติก็ไม่ใส่ใจปฏิยัดก็น้อยปฏิปฏิบัติก็น้อยก็ทําให้เข้าถึงธรรมนั้นเฉพาะแง่เฉพาะหมู่เราะนั้นอันนี้ฟังท่านที่ท่านพูดนะท่านให้ความคิดว่าคนโง่เขลามักเห็นเนื้อความอันมีความหมายตั้งร้อยร้อยนี้เป็นอนเนกสังนัตยา อรอยคือความหมายแง่มุมต่างๆทรงไว้ซึ่งลักษณะตั้งร้อยคือสภาพของข้อเท็จจริงตามสภาวธรรมมีความหมายและลักษณะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้หมายถึงคนที่มีปัญญาน้อยพื้นฐานน้อยทั้งปริยัติปฏิบัติเนี่ยฟังธรรมะของสูงเนี่ยฟังได้ฟังพูดตรงไหนเข้าใจได้แก่นั้นไม่มีมิติอื่น อันนี้เป็นเป็นคําพูดของผู้ถึงพร้อมด้วยสมิธาทีนี้ท่านบอกว่าส่วนคนฉลาดฉลาดหมายถึงฉลาดด้วยคุณสมบัติสองอย่างย่อมเห็นได้ตั้งร้อยอย่างเวลาฟังแ ล, ล้วเข้าใจความหมายตั้งร้ออย่างแล้วอันนี้นะ่เป็นเรื่องข้อประหลาดในทางศาสนาอันหนึ่งเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทรงแสดงด้วยความเข้าใจเต็มแล้วก็ สรุปพูดออกมาเป็นหนึ่งสมมติเราพูดธรรมะอันเดียวนะแต่คำพูดที่พูดออกมาเป็นหนึ่งเนี่ยอมความหมายเต็มคนมีปัญญามากเนี่ยมีบา ร, รมีมากมีพื้นฐานทางวิทยาปฏิบัติมากฟังคำพูดหนึ่งแต่ได้ความหมายเต็มนะผมยกตัวอย่างนี้ว่า อันนี้นะ่ะผมไม่ได้บอกว่าผมคนพูดผมเข้าใจเต็มเราของเราพูดเราก็ใจได้กว้างลึกแค่ไหนต่างกันเท่านั้นผมก็ไม่รู้เทียบกับคนอื่นแล้วผมจ ะ, วจะออ ก, กว้างจะแคบกว่ากันก็ต่างคนต่างก็คิดน่ะเองแล้วกันว่าพอท่านได้ยินคําว่าวิริเยนะทุกขมัดเจ ต, ติท่านศาสตร์ซึ่งเห็นความหลากหลายแค่ไหนบางคนฟังเออจริงแค่เราเนี่ยกว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้เนี่ยนะ โอ้โหมันลำบากยากเย็นนีวบัตรนี้เราก็พ้นทุกแล้วเพราะวิริย์นะอ่าบางคนก็อาจจะกำลังเรียนจบแล้วรับประกาศนียบัตรกลับมาบ้านอ่านพุทธภาสิตวิริย์นะทุกขมะจินึกสงสารตัวเองนึกชื่นชมตัวเองมาแหมเราเอ่อแต่ว่าสมมติว่าคนเรียนอภิธรรมมาบโอโหจริงเพราะว่าวิริยะเนี่ยมันมีหลายระดับอยู่ในจิต ขันใดในบุ ญ, ญกิยาใดในกิจใดมันก็ทําให้พ้นปัญหาขั้นนั้นขั้นนั้นก็ต้องไปถึงนี้ผ่านก็วิเดียนะทุกขมะจิตเตอะไรอย่างนี้นะหรืออคนได้ยินคําว่า ท, ทําท่าหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวนหน้ามีใจประเสริฐมีใจถึงก่อนเชื่อไหมครับว่าคนในเห็นความหมายอย่างเต็มเพียบจนกทั้งเกิดปิติไม่เท่ากันนะนะบางทีไอเราอ่านแล้ว นี่พูดถึงเราเราไม่ไม่ใช่สมบูรณ์นะนี่ยเราลังบอกว่าสมมก่อนเราก็ได้ยินมานานจํามาได้แต่พอตอนหลังเราไปอ่านเราย้อนยิ่งตอนที่เราเราทำกรรมฐ า, านดูเห็นเห็นเรียกว่าเห็นขุมทรัพย์ใหญ่ของชีวิตเห็นจุดสร้างปัญหาใหญ่จุดแก้ปัญหาใหญ่จุดปฏิวัติใหญ่ของชีวิตนโะมมันอยู่ที่นี่ อยู่ที่นี่ไปหมดเลยทุกอย่างเลยอะไรอะไรเนะี่ยแม้แต่อยู่ไกลแก้ตรงนี้ได้แก้ข้างนอกได้อย่างนี้นะเราเห็นจากไอ้ไอ้ประสบการณ์เราเก่าบางเดี๋ยวนี้บงมงเกิดปิติเกิดความรู้สึกทำไมคนในโลกนี้ถึงไม่เห็นนะทําไมถึงไม่เข้าใจนะเราก็ไปว่าคนอื่นโง่ความจริงแล้วก็ไม่ได้จะแต่เรานี่คือพูดนะว่าเวลาคนติดความเข้าใจในมุมหนึ่งตัวเองเนี่ยนะมันก็เกิดความคิดนี้ขึ้นมา เกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาคิดเห็นเป็นฉากเป็นฉากได้เลยอธิบายได้เป็นฉากเป็นฉากได้เท่าที่ตัวเองรู้เลยนั้นพุทธพจน์ ท, ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แม้แต่ถ้อยคําสั้นๆในสติปัฏฐานสูตรสองข้อความบางข้อความเดียวบางแม้แต่คำว่าอวินเนยะโลเกะ ว, วิชาโตมานัสสัง แปล ว, ว่าพึงนำความยินดียินไล่ในโลกออกเสียฟังแล้วไม่มีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยยิ่งคนไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะแต่คนที่เข้าใจปฏิบัติธรรมะเข้าใจอะไรต่ออะไรพอปฏิบัติเนี่ยมันเข้าใจลวกไปถึงแม้แต่อย่างอื่นทั้งหมดเนี่นะปูมาอยู่เอาวิธีกา ร, รเผชิญแก้ปัญหาทุกอย่างการบริหารจิตการแก้ปัญหาใจอะไรทุกอย่างเนี่ย อยู่ที่การทําใจให้ได้อย่างนี้ถ้าทําใจได้อย่างนี้แล้วก็ครอบงำทุกอย่างได้หมดแก่เหมาะที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เพราะนั้นคนที่เขาจับหลักตังนี้เวลาเขาจะสอนให้คนแก้ปัญหาบอกเขานี้คุณตั้งหลักใจไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมนะเขาพยายามจะโกงคุณคุณพยายามจะป้องกันตัว ด้วยความรู้สึกกังวลเล่าร้อนคุณถอนคกังวลเล่าร้อนแล้วตั้งใจเสมอหมาว่าถ้ามันของเราก็ขอให้มันอยู่กับเราถ้ามันของเขาก็ขอให้ไปทําใจให้พร้อมทําใจให้เป็นนักเลงเต็มร้อ ย, อยนี้ได้ไหมถ้าคุณยังทําไม่ได้คุณเสียเปอร์เซ็นต์ที่จะทําให้คุณแก้ปัญหาได้ในขั้นเบื้องตน้นแต่ว่าถ้าคุณทําใจได้นะ่คุณได้เปอร์เซ็นต์ในเบื้องต้นที่จะแก้ปัญหาได้ เราจะใส่อะไรลงไปจะช่วยแก้มันก็ได้มีโอกาสได้ใครเขากู้หนี้ไปยังไม่คืนบอกยกให้เขาก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยเรายอมไปแล้วอุทานกันมาเยอะแล้วโอเพคที่เราอจะตั้งหลักใจมันแค่ตั้งหลักมันยังตั้งไม่ได้แค่สมมุตินะมันเนี้ยไม่เป็นจริงแล้วจยังไอ้ทําอย่างเนี้ยนะคือเป็นวิธีการเอาคืนด้วยการให้อ่นะทําใจให้ให้ ทำใจให้ไว้ให้ใหว่างเปล่าเพื่อให้มีเป็นวิธีการเอาคืนมีคนเขาเถียงผมทางโทรศัพท์เลยเขาวาอย่างเงี้ยว่าเนี่ยอ่าเดี๋ยวเล่าเอาว่าตัวก็บูปกาลีเอางี้แล้วกันบูปกาลีเนี่ยก็อารมณ์หมุดหงิด ย, ยังงี้ พูดหลายๆอะไรหลายอย่างก็เราลอยฟังบอกเอ๊ะอย่างนี้นะมันต่างคนต่างคิดที่จะให้เขามาดีกับตัวจะเอาอิทธารมจากคนอื่นไอ้ไอ้อย่างเขาเราเป็นลูกเขาท่านเป็นบุปการีเราให้ทำไม่ได้หรือเราห้ามทไมไดด่านไม่ได้พูดเดชพูดไม่ได้เนะก็ทําใจให้แล้วก็ทําอารมณ์ตัวให้ดีเป็นวิธิเราก็พูดเป็นนองนี่นะพูดยาวจําจไม่ได้หมดก็ก็เสียงบอกเอ๊ะก็ ไอเราอยู่กันเนี่ยธรรมะเขาจะสอนให้คนต่างคนต่างดีด้วยกันไม่ใช่หรือเราจะไปยอมเขายัางไงล่ะเขาทํานี้ทําทำไม่ถูกธรรมะนี่บอกนั่นแหละจริงที่คุณว่าน่ะจริงว่าสังคมหนึ่งควรจะอยู่ดีต่อกันเราเองเราก็จะต้องทําให้เขาดีแต่ไอวิธีการอย่างนี้เราคือวิธีที่จะทําให้เขาดีไม่ใช่วิธีที่จะยั่วยุไอเราไปทําด้วยวิธีอื่นด้วยเจตนาหยาให้เขาเป็นอย่างใจแล้วไปร้อนใส่เขาไปเถียงไปดา่าต่างคนต่างหยาบใส่กันมันกลับว่า ไอความอุดมก็เรียกว่าครอบครัวในอุดมคติอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วมันกลับไม่มีเราเป็นฝ่ายให้เขาไมาได้ไหมละ่ะเนี่ยแล้วเราก็จะมีพฤติกรรมทางลุกควบคุมพฤติกรรมเขาเข้าไปโดยลําดับโดยทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้ด้วยตัวเราเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นที่ใจก่อนแล้วออกมาข้างนอกเนี่ยได้ไหมละ่ะคือต้องควรไหมอย่างเนี้ยคุณเราก้องคิดเอาใจเขาใส่ใจเราอย่างเนี้ย แล้วทีคุณผมพูดกับคุณคุณมันไม่แวดแวะใส่ผมละ่ะ <c> ก <oughs> ็ว่างี้ทำไมไม่ด่าผมละอะไรอย่างนี้บอกบอกเมื่อกี้ก็เสือจะแวะไปแล้วเหมือนกันแหละไอที่บุญเมื่อกี <c> ้ <oughs> แต่ว่าที่มันไม่แวะเนี่ยเพราะว่าผมไม่พูดอย่างบุปการีคุณผู้ <c oughs> ถ้าผมเกิดจะบอกว่าคุณอ <c oughs> ย่าโทรศัพท์มาหาผมเลยพ่อแม่คุณก็ยังไม่เอาเลยผมผมเป็นคนืดิมันมจะอมเอาแดาง บอกเลิกกันทีพอกันทีเป็นไรมึงจะพูดอย่างนี้มึงก็ไม่ได้นะมาถ้าพูดงนี้ก็มึงก็ไม่ต้องคบกันนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องของใจอ่นะฮะอธิบายในมุมหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แต่คนที่เวลาจิตเศร้าหมองอวิชชาครอบงําเนี่ยมันไม่เห็นหรอกครับแม้อธิบายเหตุผลให้เห็นตรงตงถ้าความรู้สึกมันยังไม่ลงยังหงุดหงิดอยู่เนี่ยมันก็ดูดซับเหตุผล แค่หลักการเขาลับไม่ได้จะป่วยกล่าวไปยายถึงสมาทานเข้าไปเป็นความรู้สึกเห็นด้วยทราบซึ่งจริงจังจริงใจเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีจุดเริ่มต้นที่จะบริหารตัวเองให้มีชีวิตที่า ร, ราบรื่นได้ผมเลยไปถึงองค์ที่ร้อยเจ็ด องที่ร้อยเจ็ดน่อในพระไตรปิฎกเรียกว่าพระธรรมสังวรอัตกถาเรียกว่าธรรมสาวะไม่ทราบว่าที่ในของท่านนใช้คำว่าอะไรก่อนใช่ไหมธรรมสังวรก็เกิดอัตกรากับในพระไตรปิฎกเรียกต่างกันนิดหนึ่ง <c oughs> จะด้วยเหตุผลทางการพิมพ์ลาดอะไรยังไงก็อาจเป็นไปได้ เพื่อบางทีอตาตกถาเนี่งทีก็พอจะเป็นตัวยืนยันความถูกต้องไว้เหมือนกันเวลาพิมพ์ผิดนะนะอาตกถาเวลาเขาแก้อย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแก้ไว้ตามของเดิมๆพอ ม, มาถึงรุ่นหลังอาจจะพิมพ์เคลื่อนดพิมพ์อะไรแล้วก็ต่อต่อกันมาอาตรกระถาก็เลยพอจะยืนยืนเอาไว้แต่บางทีพอมาพิมพ์ที่หลังเขาก็เขาผิดตามผิดนะเพียงแต่พุทธโนตบอกอะไรอย่างเงี้ยนะกลัวว่า <c oughs> แก่แล้วเดี๋ยวอาตกถาเกิดผิดขึ้นมาเงี้นะก็ต้องไปตรวจเอาอะไรฉบับ ว่าที่ไหนจะว่ายังไงนี่ผมก็ไม่ได้ตรวจในทุกๆฉบับในเชิงวิเคราะห์ก็ว่าไปตามง่ายๆนี้ก่อน อ, องค์ที่หนึ่งร้อยแปดเนี่ยเราพยงเลยไปด้วยเพราะว่าสององค์นี้เป็นพ่อเป็นลูกกันครับเป็นพ่อเป็นลูกกันองค์เจ็ดร้อยเจ็ดเป็นลูกองค์ร้อยแปดเป็นพ่อองค์ร้อยแปดในพระไตวปิฎกเรียกว่าธรรมะสตะปิตุแต่ตักคตาบอกว่า อ, องที่ร้อแดนะ่คือธรรมสวะปิตุหรือธรรมสังวรปิตุนั่นเองอะ่ะคือเป็นพ่อขององที่ร้อยเจ็ดและพ่อลูกคู่นี้เป็นอหรหันต์ทั้งคู่เราพูดถึงองค์ลูกก่อนธรรมสวะหรือธรรมสังวร อ, อ่อเป็นลูกพราหมณ์พ่อเป็นพราหมณ์เป็นชาวแควนมคธอ่า องค์งลูกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบการคลองเรือนเห็นโทษของการคลองเรือนเห็นอานิสงค์ของการบวชชอบชีวิตของนักบวชมาแต่ไหนแต่หลายท่านก็จําความได้เป็นโอปนิสัยเลยชอบการบวชไม่ชอบการคลองเรือนและไม่ใช่แค่ชอบก็เห็นโทษเห็นภยัยเห็นคุณในความรู้สึกของตัวเองก็มีความรู้สึกอย่างนี้มาช้านานเป็นโอปนิสัย และไม่ได้ออกบวชอะไรนะรเพราะยังไม่พบหนทางไม่เจอครูก็ทั้งพระผู้มีพระภาคมาเสด็จประทับอยู่ที่ทักกินากิริชนบทซึท่งเป็นชนบทหนึ่งที่อยู่ในแคว้นมกฏเนี่ยนะก็ได้ไปเฝ้าไปเฝ้าได้ไปฟังธรรมก็เกิดความเลื่อมใสแล้วก็เห็นว่านี่เป็นหนทางที่จะตัวจะสมาทานรับเอาเป็นทางออกเป็นเครื่องต้อนรับปุถุนสยัยให้ตัวเองได้ก็ออกบวช เมื่อออกบวชก็เจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระล้าน ง, ง่ายๆชีวิตเรียบร้อยดีฮะที่ท่านมีอุปนิสัยทางเนคข ม, มะบาลมีเนี่ยไปดูอดีตท่านแล้วก็ได้ความว่าเคยบวชมาแล้วอย่างโชคโชนนะฮะอย่างในชาติหนึ่งสมัยพระปมุมต ร, ระพุทธเจ้าได้บวชเป็นดาบทแล้วก็ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยครับพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรโ ด, ดด้วย มาโปรดถึงในอาสมกลางป่าเมื่อได้เห็นรู เ, เจ้าก็ก็เลื่อมใสใ น, ในพระอภิธิหารคือพวกปวามเพนจิตเนี่ยเขาก็รู้กันนะครับว่าใครแค่ไหนแค่เห็นกันเนี่ยรู้เลยเหมือนอย่างผมเคยเคยไปเห็นพระสององค์ซึ่งไม่ได้รู้จักกันมาก่อน พอเจอหน้ากันท่า น, นั่นแหล ะ, ะองค์หนึ่งน่ะอายุมากองค์หนึ่งอายุสามสิบใกล้ใกลสี่สิบองค์หนึ่งน่ะอายุประมาณแล้วคงสิบเศษแหละพอเจอกันเนี่ยองค์อายุมากซึ่งเป็นเจ้าเจ้าวัดได้ครับรีบคุกเข่าปูอ า, านะแล้วก็กราบองคเมียอายุน้อยก็ถามว่าถามองค์อายุน้อยว่าเอ๊ะทาไมท่านรู้ลรา ว, ว่าท่านอายุมากกว่า อางยายนุ้ยท่านตอกว่าพระเนี่ยก็ท่านมองกันก็รู้แล้วว่าใครรุ่นพี่รุ่นน้องนะคือก็ผมก็ไม่ทราบว่าในนี้จะขนาดไหนนะแต่นี่ที่ว่าเน่ยคือที่พมา่าเห็นแล้วรู้เลยนะไอเราเนี่ยไม่รู้แล้วสององค์ไม่รู้จักกันมาก่อนนะต่างคนต่างมารู้จักกันแต่เห็นแล้วรู้ท่าทีบอกไงก็ไม่ทราบนะคือเขาเป็นภาษาที่เรียก่เป็นมโนทัต เหมือนกับที่อ่าไปคุยกับพวกอคุมวัดเก็บสตางคนเที่ยววัดอ่ะอย่างคนจีนฮ่องกงคนจีนไต้หวันมาเนี่ยเขารู้เลยครับไอ้คนไอ้เฝ้าตัวนะวัดโพวัดอ่าเบญจายรู้เลยเราไม่รู้เราก็ถามมันรู้ได้ยังไงเขาบอกว่ามันมีอาการบอกมีอะไรบางอย่างเขารู้